เรามาภาวนาเนี่ยเราก็จะมาเอามาเอาความดีสักนิดหนึ่งใส่ใจแต่ว่าการภาวนาเนี่ยมันอยู่ใกล้เรานะไอ้ที่สิ่งที่เราจะได้อย่าไปหาไกลถ้าหาไกลออกไปแล้วมันมันไม่พบถึงพบพ บ, พบของคนอื่นเห็นของคนอื่นซึ่งเราเอาไม่ได้เราเอาที่เราเนี่ย เราไม่ตรงนี้ไปใจค้นคว้าบอกค้นคว้าในตัวนี่แหละทำความสงบสงบอยูใ่ในจิตในใจของตัวเองถ้าอย่างนี้แล้วเราจะได้มันค่อยๆงอกเนยขึ้นมาผลเนี่ยให้เราสังเกตตัวเราเนี่ยสังเกตตัวเราว่ามันสงบไมหมใจมันดีหรือยังใจมันดีหรือยัง เราดูตรงนี้เนะี่ยแล้วเราก็จะเห็นทีเดียวแต่ถ้าเราไม่ดูเรามวดแต่ไปดูคนอื่นเราไม่เห็นหรอกว่าเราดียังไงชั่วยังไงเราไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นแล้วเออใจเราก็ไม่สง บ, บกลับเป็นผ่านเราก็กลับเปตรงนี้เนะี่ยกลับตรงนี้สึกตรงนี้ในที่สุดเราก็ได้ใจสงบที่มีพูดถึงปัญญา ก่อเฉลียวฉลาดรู้จักอันเหตุการ์ไม่โ้นสิ่งต่างๆหลอกมันก็จะฉลาดถ้าเราพิจารณาพิจารณาไม่ไกลหรอกแต่พิจารณาในเราเนี่แหละมันพิจารณาดูว่าตัวเราเนี่ยมันอยู่ขนาดนี้แต่ก่อนมันขนาดนี้เหรอแต่ก่อนมันดูมันจะขึ้นร ว, วยรวยราเริงเบิกบานผ่องใส ยิ่งกว่านี่นะแล้วมาบัดนี้มันเป็นยังไงทานึกไม่เห็นก็ น, นึกไปเไมื่อสักสิบปีที่ผ่านมาถ้าจะเห็นชัดเจนโอ้สิบปีแต่ก่อนเมื่อสิบปีผ่านมาแล้วเยมันไม่เป็นอย่างนี้เลยสัตวีกระเป่าเบิกบานเสดเดียวร่าเริงเบิกบาแกงแจมสายผองสามาบัดนี้โอ้เทียบกันไม่ได้ทุกตรงลงไปในี้ถ้าเราพิจารณาให้ ใกล้พิดเข้าไปอีกก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แบบติดทีที่ผ่านมาหรอกมันทุกปีเมื่อปีทายนี้ก็ดีกว่า น, นี้สุดโทรมลงไปเรื่อยโรคที่ไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมามีขึ้นมาแล้วเห็นแต่คนอื่นเขาเป็นเราก็เป็นแล้วโรคอย่างนั้นมีโรคประจำตัวคนที่มีโรคอยู่แล้วก็มันสุดหนักลงไปอีกซุดหนักลงไปอีกเรื่อย ทนี่ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ไปพิจารณาเทียบคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะต้องเสื่อมต้องสิ้นไปเรานี่เสื่อมอยู่เนี่ยมันกาลังจะไปถึงสิ้นเราจะทนทนได้ไหมเราจะยินยอมไดไม้เมื่อสิ้นร่างกายจะแตกจลายเราจะทนได้มันจะทํำยังไงเตรียมตัวยังไงเนี่ยเนี่ยเราก็จะฉลาด จะไม่ให้ใครมาหลอกได้แต่คนเราเองบางเขาเองมาหลอกว่าเราแข็งแรงกับพี่กระเป๋าสวยงามว่าเราสนุกสนกานเบิกบ้านสบายดีจนกระทั่งว่าป่วยแล้วเนี่ยไปรักษาต้องหายจะหายเนี่ยความคิดนี้เลยฝังไว้ในใจเราตลอดมาจนกระทั่งมาทีหลังนี่มันป่วยไปรักษามันก็ไม่หายมันก็ยังเหลืออยู่ เขาก็ยังจะเอาหายแต่พุทธภาษามีาว่าไปรุ่นไปรุ่นว่าจะเอาหายพระพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมไปแล้วสลาวที่สุดคือมันจะแตกของมันอยู่เราก็จะเอาหายมีความบวังอย่างเดียวว่าหายแล้วอยู่ดีสบายใหญถ้าจะคิดว่าเออมันมันก็ต้องไม่หายมันจะต้องพุทธสมมากๆเข้า กระสับกรสายมากาเขาแล้วตายเราไม่ได้เตรียมเพื่ออันนี้นะเราเตรียมตัวแต่เพื่อจะหายเท่านั้นแหละลองพิจารณาดูเถอะนี่ถ้าเราจิตใจสงบตามสมควรแล้วมานั่งพิมิตพิจารณาเนี่ยอย่างพิาไกลพิจารณาเราว่าไงใครจะเห็นว่าเออเรายังบกกรองส่วนนี้มากทีเดียวซึ่งเป็นของสีและเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากของซีริสเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงตรงนั้นอนะ่ะ แต่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้เพื่อการที่มันจะแตกเราเตรียมตัวแต่จะรับแต่เราไม่ไเตรียมตัวเพื่อจะทิ้งมีแต่เตรียมจะเอาจะเอาไว้เตรียมจะทิ้งยังไม่ได้เตรียมถ้าเรามานั่งดูดีๆเนี่ยพิจารณาเราจะเห็นแบบจะสะอาดขึ้นสลาดในเรื่องจริงของจริงอันนี้จริงนะในจริงที่สุดจริงกว่าที่เราไปเห็นข้างนอกว่าอนนู้นแตอบอนนี้ขอรับอนนู้นกว่ช้างเนี่ย ไอเ น, นี่ยคือเรื่องจริงที่สุดถ้าจะเรียกว่าสัตวูก็พนี่นี่แหละสัตวูใหญ่ล่ะของจริงละไปเที่ยวเอาข้างนอกเป็นสัตว์สู่นี่ไม่ถูกเรื่องหรอกแล้วแต่เอาข้างนอกว่าสวยว่างามบ้ายืนหยัดมั่นคงมันไม่มั่นคงอะไรหรอกอันนี้แหละแน่นอนกว่าเราเตรียมตัวเพื่ออันนี้ดีกว่าเยอะถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าภาวนาเป็นทําความสงบก็ทําได้จิุดสงบก็จะสงบได้ พิจารณากอพิจารณาพอรู้เรื่องรู้ราวแต่ก่อนไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องของตัวเองเนะี่ยไม่รู้เรื่องสักทีทั้นนอกนอกแต่ว่าเจ้าของนั่งอยู่หรือหรือยืนอยู่หรือเดินอยู่เนี่ยก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูไม่ได้รู้สักทีวันหนึ่งนะหายใจอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตว่าเจ้าของหายใจสักทีน่ะมันไม่รู้อย่างนั้น ไม่เห็นลึกเข้าไปว่าเจะาของกำลังแก่กำลังเข้ากำลังทุดโทมไม่ไม่เห็นอ่ะยังนึนกไปว่จ้ของดีอยู่ตูที่กระเป๋าแข็งแรงโดยบ้านของไสอยู่ยังเอะหะฮายังเอาเรื่องเอาร้าวอะไรข้งนอกกับสารพัดมันไม่ฉลาดถ้าเรามาภาวนาแล้วมันจะต้องสร้างความฉลาดให้เกิดขึ้นคือภาวนาจะต้องอยู่กับตัวนี่แหละฉลาดเรื่องตัวเอง ฉลาดหนึ่งตัวเองแล้วมึงก็มึงก็ฉลาดทั่วออกไปหมด